เพื่อนพอนะครับทำทากันทางสบายทำทำใจให้ค่อนคลายนะทำใจให้สบายร่างกายเราก็จะค่อนคลายตามแต่ท้าใจเราไม่ค่อนคลายใจเราเกรงใจเราเครียดใจเราวิตกกังวล ร่างกายมันก็จะเครียดมันก็จะเกร็งตามตามใจนั้นสี่งสำคัญคือทําใจสบายสบายนะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแต่บางคนก็นะเข้าใจก็ทำง่ายนะ <c oughs> บางคนไม่เข้าใจก็มันทำแบบไหนละ <c oughs> ทำอะไรเองจะไม่เครียดถึงจะไม่เกร็งนะทำอะไรเองจะสบาย บาคนถ้าทำแบบนั้นไม่ได้นะก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือรู้ทันเวลามันเครียดนะรู้ทันเวลามันริตกรู้ทันเวลามันกองวลมันจะมันจะกลับมานะลัดมาจากตอนไม่เครียดนะกลับมาจากตอนริตกกลับมาจากตอนกัวนละคือถ้าเรายัางวางใจไม่ถูก เราก็รู้ทัในใ้ตัวที่วางใจผิดแทนมันก็จะเปลี่ยนกันมานนเองอันนี้ก็ไมต้องไปไม่ใช่เป็นการไปใช้ความคิดหรือเป็นการไปพยายามบังคับนะหรือเป็นการที่พยายามต้องไปต้างนะสภาวะแบบหลอกตัวเองนะอันนี้มันมันเป็นเทคนิคที่ที่สําคัญมากแต่ถ้าใคร โดยจับจับสภาวะที่รู้แล้วว่าแบบนี้มันพอดีแบบนี้มันมอนไม่เครียดสบายๆเราก็อยู่กับสภาวะนั้นเทีเลักษณะเทเลษณะแต่ถ้าบางครั้งมันเผลอมันเผลอเป็นเครียดเป็นกลัวเป็นกังวลก็ลองฝึกรู้ทันครับฝึกรู้ทันะ ถ้าเราฝึกรู้ทันเขามันจะเกิดสภาวะ น, นั้นเพียงแค่บางขนา ด, นาดเท่านั้นเมื่อมันเกิดภาวะ น, นั้นเพียงแค่บางขนาดเราก็จะกลับมาเป็นปกติได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น อ, อันนี้ถ้าเราปรับใจแบบนี้ได้นะมันก็จะส่งผลให้ร่างกายมันมันผอนคลาย หรืบางคนอาจจะดูดูสภาวะถนใจนะไม่ชัดฝัดนะไม่ค่อยฝัดใจไม่ ค, ค่อยชัดก็ไมเพิ่มมีตกนะก็ยังมีเครื่องมืออกนะีกอยนะก็คือการฝับกายแทปรับกายนะถ้าเรายกมือถ้าเราเดินถ้าเรานั่งหรือแม้แต่หายใจท่านมันก็ลองสังเกตดูสังเกตดูว่ามันกระเลยหมือไม่นะ มันคล้ายๆมันกลัวจะไม่รู้มากไปหรือเปล่านะมันเจ้ามากเกินไปไหเนะี่ยหรือว่าเกิดไหนมันไม่สบายนะหายใจไม่โล่งนะหายใจสั้นๆหายใจตุดขัด น, นะหรือสายตาเองก็เพ่งบางอย่างมาเกเึินไปนะหรือว่าหน้าตาก็จริงจังมาเกเึินไปนะร่างกายก็ ก็เครียดเกันไปนะเราก็กลับมารู้รู้สึกรู้สึกตัวที่ร่างกายที่มันผิดปกติได้เรารู้สึกตัวว่าร่างกายผิดปกตินะแต่มันก็จะไปปรับนะให้ร่างกายมันมันปกติขึ้นให้ร่างกายมันหายเคร่งหายเครยียดมากขึ้นอันนั้นคือมันคือวิธีการนะ ที่จะทำให้เกิดการทิกายค่อนคายใจคลอนคายเนะีมันเป็นติ๊ดที่สำคัญในะในการปฏิบัติเพราะว่าบางทีนักปฏิบัติทรรบางคนนะพอคิดถึงการปฏิบัติมันจะมีการสร้างสร้างรูปแบบบางอย่างที่มันมันฝืนธรรมชาติมันผลิตธรรมชาตนะิเราคิดว่ามันต้องทำอะไรที่มันที่มันแบบ ต้องสร้างสภาวะนั้นขึ้นมานะต้องสร้างให้ใจมันนิ่งๆนะหรือร่างกายมันนิ่งๆนะเก็งๆนะกระดุกกรดิก็ไม่ ไ, ได้ทั้งกายก็ดีหรือใจก็ดีนะมีนะก็เรยสอนโยมนะบางคนเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นวิษตกกระดกลัว ปวดไม่ดีนะหรือวิตกนั่นีิตกนี่นะก็สอนอหลายๆอย่างนะเขาบอกเขาจัดได้แล้วว่าแต่ต้องทําแบบไหนนะเขาบอกว่าเอาแค่คําว่านิ่งอย่างเดียวพอหรือเปล่าอาจานนรย์เขาเขาฝึกทำมาเยอะปฏิบัติทำมทาเยอะนะแต่ตอนเนี้ยเรื่องเข้าใจแล้วะจะเจ้าแค้คำว่านิ่งอย่างเดียว ก็บอกได้แต่ฟังไปฟังไฟนะเขาก็จะปหลักผิดไปไปหรือบ้านก็คือว่าคือเขาไปพยายามทำให้หมันนิ่งพยายามทำให้นิ่งนะคือที่จริงนิ่งเนี่ยมันคือผลผลจากการที่มีความรู้สึกตัว ผลจากการที่รู้ทันเวลาจิตมันไม่นิ่งเนีมันก็จะเกิดความนิ่งเองแต่เขาเองพยายามจะทำให้นิ่งโดยการไปใช้ใช้ไปห้ามความคิดหรือว่าไปพยายามข่มความคิดหรือพยายามที่มันจะแบบให้มันอยู่เฉยๆนะแ้่เป็นการเข้าใจผิดไปไหน่อยก็เลยบอกเขาว่าที่จริงนะ นิเนี่ยมันก็ดีแล้วมันก็ถูกแต่มันเป็นเรื่องของผลไม่ใช่เรื่องของเหตุสิ่งที่เราต้องทํานะควรจับที่หลากของเหตุเหตุที่มันจะเกิดคนเช่นนั้นก็คือว่าการสร้างสติการทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเหตุเราต้องทอําตรงนี้ที่เราเคลื่อนไหวร่างกายนะเพื่อมัน ปกสติขึ้นมาเพื่อให้มันมีสติเมื่อไหร่ที่เรารู้กายเฉยๆสังเกตไหมจิตเหมือนนิ่งอันนั้นแหละถ้าเรารู้กายนะกายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้กายทําอะไรใจก็รู้สึกตัวอยู่เมื่อนั้นจิตมันมก็นิ่งจิตมันก็เป็นปกติแล้วอันนี้ยคือเราทำแบบนี้นะนน ไม่ใช่ัวนะอยามไปให้จิตให้นะิ่งนะไปนั่งความคิดให้มันนิ่งนะไม่ให้มันมีอารมณ์อะไรเลยนะเป็นใช่ไหหรืออจิตมันเกิดคิดอะจิตมั น, ะนเกิดกังวลจิตมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกตัวดูเขาเห็ ấu, นเขามันจะเปลี่ยนนะความรู้สึกตัวจะเข้าเปนเปลี่ยน ควา ม, มีิตกกังวลความรู้สึกความรู้สึกตัวจะเข้าไปเปลี่ยนความคิดให้การเป็นเพียงแค่อารมณ์อย่างหนึ่งที่ถูกถูกจิตมันรู้มันจะรู้สึกเลยว่าเมื่อกี้มันคิดตอนนี้รู้สึกตัวเมื่อกี้มันวิตกตอนนี้รู้สึกตัวมันจะเห็นช่วงขณะที่มันที่มันเปลี่ยนไปหรือว่า ที่มันถึงเนื่องกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าจะพูดจริงๆนมันไม่ใช่รู้สึกอืมไม่ใช่วิโตปไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยพร้อมกันไม่ใช่มันไม่ใช่คิดไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยพร้อมกันไม่ใช่เพราะอะไรท่าสติเราเร็วรู้สึกตัวชัดมันจะเป็นเหมือน เมื่อกี้ท่านเป็นเรื่องของจิตนะเมื่อกี้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้มันโหนตอนนี้รู้แล้วฮเมื่อกี้มันเครียดตอนนี้รู้รับว่าเครียดเมื่อกี้มันคิดตอนนี้รู้เฉยเฉยเพราะว่าตัวรู้กับตัวโหนเนี่ยมันเกิดที่เดียวกันมันแทกกันไม่ได้นะ เมื่อไหร่ที่หลงมันจะไม่ีความรู้สึกตัวหรอกแต่มันก็เมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกตัวนะมันก็แทกความหลงขึ้นมาแทนที่แต่มันเพียงแค่สลัดกันเร็วมากนะเจะบางคนที่สติยังไม่เพียงพอมันเลยรู้สึกว่าเหมันเหมือนมันอยู่ด้วยกันนะมันมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะแต่จริงมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า มันเป็นคนละส่วนกันนะเป็นคนละส่วนกันแต่มเกิดสืบเนื่องกันอาจจะเรียคนละส่วนเอายจะไม่ถูกก็ได้เรียกว่ามันเกิดในที่เดียวกันนะแต่มันเกิดนะเกิดก่อนเกิดหลังกันอันนี้เราก็จะเก่งแม่ที่เราเก่นะแต่ว่าสิ่งความคิดเมื่อกี้ความที่ตกเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้ว ตอนนี้เราก็รู้สึกตัวแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งนะบางคนพอรู้สึกตัวเป็นหรือจากตัวรู้สึกตัวที่มันปกติได้บาดีบางคนก็มักจะเข้าไปประคองประคองทำจิตให้นิ่งหรือประคองความรู้สึกตัวให้มันอยู่กายอยู่กับกายตลอดการทำความรู้สึกตัวแบบประคองบางดี มันก็ยังไม่ใช่ความรูวสุตัวในสถสนีประธานจริงๆนะบางทีอันนี้ก็เท่าที่สังเกตนะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกนะไม่ใช่ทุกครั้งนะแต่ในหลายวิธีที่ที่มีคนนิยมทํากันบ้าง น, นะอาจจะเป็นเหมือนออกกำลังกายอาจจะเป็นเหมือนเขาบอกสุดสมาธิไปด้วยนะอย่างบางคนทํา ทำาหมือนไทเก๊กเลยนะทาแบบไทยเก๊กนะเวลาเราเคลื่อนไหวมันจะค่อนข้งางช้าค่อนข้า ง, งแบบไหลนะใช่ไหมเอาการเคลื่อนไหวไหลเรื่อยๆเ ห, หมือนกับสายน้ําที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะหรืไม่แต่โยคะในบางในบางเทคนิคหรือในบางคนก็เหมือนไทยทำแบบในไหลไปนะแต่บางคนเขาจะสอนว่าคือให้กิต มันแน่ของการเคลื่อนไหวนะการการใช้เก้งจะเห็นค่อนข้าชัดเลยว่าแบบเขาพยายามแบบให้จิตมันแน่เกี่ยวกการเคลื่อนไหวในท้านั้นท่านี้ถ้าลันท่าม ว, วยท่ากระบี่อะไรก็แล้วแต่นะจิตมันแน่ไปนะมันก็เลยมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวแบบทีลนะขณะมันเหมือนพยายประคองประคองจิตให้ไหลไปกับร่างกายจะทํำไปเยอะอยนะ มันต้องมีความสูงนะมัรู้สึกสบายนะมันเป็นความสบายที่เกิดจากคนของสมาธิหรืออย่างสมาเคยทำกันก็คล้ายๆแบบนั้นที่เราเข้าใจคือาตามลงหายใจเราติตตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกตามไปเรื่อยๆนะเข้าอขอกก็ตามไปเรื่อยๆนะ มันลึขนาดไหนมันก็ทามไปนั้นมันตื้นขนาดไหนแล้วก็ตามไปขนาดนั้นมันตามไปเปื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะลงหายใจมันก็สงบลงนะจิตก็นิ่งขึ้นนะมันก็เหมือนจิตมันก็นิ่งมากๆนะเอลงหายใจก็นิ่งมากๆแต่เหมือนคราวนี้ความมันนิ่งมากๆเนี่ยก็ไม่รู้จะดูอะไรแล้วเ่ะมันรู้สึกเหมือนลงว่างลงโล่งนะนิ่งๆเยอะนะ ไม่รู้จะดูอะไรมันก็เข้าไปอยู่ในความสงบกันนะเข้าไปอยู่ในความว่างกันนะมันก็เดินต่อไปเองมันก็เดินต่อไปเองอันนี้คือเป็นเหมือนการตาะเหมือนเป็การตามตามไปเรื่อยก็เลยเกิดความสงบเวลาปฏิบัติธรรมก็บางคนยังยกมือเองก็เหมือนกันนะบางทีถ้าเรา ยกมือมันไม่ค่อยติดจังหวะมันไหลนี่แหละยกไปติดสี่ถ้าก็แบบยกแบบเร็วเร็วเกินไปนะแล้วก็จังหวะหยุดจังหวะอะไรมันไม่ชัดอ่ะมันก็บางทีที่ตัวรู้ตัวมันก็จะไม่เป็นขนณะไม่เป็นขนณะมันก็อาจจะใกล้เกียบสมาธิยกไปเพินเพินยกไปเรื่อยๆ น, นะบางคนมันยกติดแค่ว่าตัดแต่ว่ายก ก็ขานสติไปได้หรือบาคนย่อมไปเพลินนะแล้วก็สนุกบางครั้งก็เคอเหมือนกันแหละย่อมเดินเร็วเพืงอนห่อยมันสนุกมันสนุกมันสนุกแต่มันเป็นความสนุกแบบเพลินเพลินไปในอารมณ์เพลินไปในสิ่งที่ผ่นนแต่ก็ให้เราทั้นตึก ถ้าตื่นเรื่องต้นนะหรือว่าที่จริงก็ไม่เรื่องต้นทั้งหมดนะต้องทําแบบทําตอนทิ้งก็สึดตือก็ทํำแบบทิ้งนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบตั้งใจที้แต่มันมันจบทีละครั้งนะรู้แล้วจบแล้ยกก็รู้ะจบแล้ววางลงรู้จบไม่ต้องรู้ช้านะไม่ต้องรู้เอืยนะไม่ใช่ว่า รู้มันเหนืยนะรู้จบนะรู้จบรู้รู้นะมันเด็นเหมือนรู้นะถ้ารู้แบบสั้นๆรู้แบบประชากนะมันจะไม่เหนื่อยไม่เป็นภาระไม่ต้องประคองก็แค่รู้ก็แค่รู้รู้จิตมันจะเกิดนะความรู้ตัว ที่นั่นงขึง้นมาถ้ารู้แบบเนี้ยมันจะตรงกับสภาวะที่ว่ารู้ตื่นเบิดปาแต่ถ้าเรารู้แบบประคองบางทีมันเหมือนรู้นะแต่มันไม่ค่อยตื่นมันมันเริ่มเลืมันแน่แน่อไปมันไม่ไ่อเปิดปาจะมันเหมือนเบเบอร์เหมือนเบอรเอร์เหมือนเกิร์มเกิร์มไปแต่ถ้าเรารู้แบบมือมีสติอีเดียรู้นะ รู้ตัวตื่นตัวนะตื่นใจนะเบิกบางใจนะเนี่ยทํานะทําไป้เรื่อยๆะบางคนก็รู้กายได้บ่อยนะรู้กายได้บ่อยบางครั้งนะมันมีความคลุงซ่านแทรกเข้ามาบ่อยจำเป็นไหม บางครั้งจิตมันก็หลงไปบ่อยเรารู้มันเราบรังคับไม่ได้นะต้องเข้าใจจักก่อนว่าเรื่องของความคิดเรื่องของจิตเนี่ยมันจะคิดมันจะไม่คิดนะอย่าไปบังคับมันหน้าที่เราคินแค่ดูมันอย่าไปห้ามมั น, นการเจอสตินในแนวหลวงพ่อสังเกตเนี่ยจะเน้นเน้นคือการไม่ห้ามความคิด ที่จริงในตัณสติประธานจริงก็ไม่ได้พระเจ้าไม่ไม่ได้บอกว่าให้ห้ามสอนคิดไม่ได้ห้ามอารมณ์ท่านสอนเองครว่าให้มีสติรู้ทันถ้ากายที่บอกว่ากายมันจะรู้อรมที่ปัจจุบันกายเคลื่อนใจรู้เนี่ยมันเกิดพร้อมกันนะเหมือนเสียง ม, มันเกิดขึ้นนะเราก็รู้พร้อมกันเนะี่ยท่ามาพูดยังได้ยินนะี่ะมันเป็นขณะปัจจุบัน ขณะดปฏิบัติที่มันมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เกิดขึ้นแลก็รู้อันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมติยอมคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพูดออกมาคิดมันเกิดก่อนนะพูดเกิดที่หลังอมันเนี้ยมันมันจะมันจะซ้อนกันตรงนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ เราก็เพียงแค่ตื่กรู้เป็นครั้งตื่กรู้เป็นครั้งมันจะเกิดการรู้สึกตัวตระดับไปบางทีก็รู้กายที่เคลื่อ น, นลงที่ปัจจุบันบานทีก็รู้ใจที่หลงไปที่ว่าเมื่อกี้มันหลงนะสติที่รู้ว่าเมื่อกี้มันหลง ค, คือการมีสติล ะ, ะไม่ได้ผิดนะดันั้นเราเรยนไม่ต้องข้ามมันหลงก็เป็น ก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งหรือว่าเป็นตัวทาให้เกิดสติอย่างหนึ่ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายมันหลงและเรารู้ว่าหลงอันนี้ก็คือเรียก็มีสติแล้วแต่ส่วนใหญ่บาคนบลงเราไม่รู้ตัวว่าหลงอะไรเรียกว่าขาดสติไม่ว่าจะหลงเป็นในทางกุศลหรืออกุศลถ้าไม่รู้ตัวว่าหลงนะ มันก็คือขาดสติเหมือนกันลงไปไปหวก็คือหลงไปคิดปุมแต่งนะต้องระวางบางทีในรูปแบบที่เราทำจนชินนะอิจวัวรที่เราทำจนชินนะ่ะกินข้าวนะอานาน้ำแปรงฟั น, เ ด, เ, น, นนะเดินเล่นหรืแม้แต่บางคนยกมือจนชินนะเราก็บางทีก็เห็นนะักเรียนบางคนนะ อยากจะยกตลอดนิสัยมองนะจะยกไปคุยไปหัวเราะกนไปมันสติอยู่ตรงไหนกันมันทําแบบเป็นแค่รูปแบบว่าเราเราทํานะออืมคนก็เดินจงกลมไปคุยเดินไปสติอยู่ตรงไหนะมันก็ไม่ชัดเจนะที่จริงถ้าเราอย่าคุยนะอย่าทำอย่างอื่นไม่ต้องยกมือเราะก็คุยไป นคุยไปมีสต so, ิเกี <to> ่ยวกับการพูดคุยมีสติรู้ทันอารมณ์ขณะที่คุยขณะที่ทำตรงนั้นบังทีมันทำหลายๆอย่างปร้องกันเนยมันก็มันก็บางทีมันก็เสียมิเตอร์เ่เพราะว่ามันจะกายจรินจริตเนยพอคุยไปก็ต้องใช้ความคิดเยอะแย้มากมายพอมายกพอมายกมือคราวนี้ว่ายกไปด้วยคิดไปด้วยเปิดไปเลย เคยได้แบบความคิดหรือบางขณะเนี่ยบาทีก็เดินจงกลมนะบางคนก็รู้สึกตัวได้บ่อยแต่บางคนเดินจงกลมเนี่ยมันใกล้เคียงกับการเดินปกติก็จะไหนเปิดความคิดได้บ่อยบางคนรู้สึกว่าถ้ายกลงใต้จังหวัดมันแปกลีนะมันต้องหยุดมันต้องอะไรชาตทีก็จะรู้สึกตัวได้ได้ดีแต่บางคนก็รู้สึกมันเก่งเกินไป มนเครียดเกินไปก็ก็ไม่เหมือนกันนะแต่ก็เนี่ยมันก็จะลงไปสองทางลงไปในทางเครียดไปบ้านเกงไปบ้านกลัวไปบ้านนะประคองหาเกินไปบ้างอันนี้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ลงไปในทางอฟุ้งซ่านนะไปกับอารมณ์นะมันก็จะสลับไปสลับมาเลย น, น, นะแต่ถ้าคนขาดสตดิอ่ะมันจะสลับแบบข้าง ข้างฝั่งไปเลยข้างฝั่งไปเลยเดี๋ยวก็ครี่ยดเดี๋ยวก็หลงคิดเดี๋ยวก็เครียดเดียดเดยเยเด๋ยวก็ลงคิดนะอยู่กับตรงนั้นไปเลยนะแต่ถ้ามีสตินะมันมีสองฝั่นก็จริงนะจะ ม, มีตรงตามเมื่อรู้สึกตัวเนะี่ยมันจะหลงไปด้านไหนก็แล้วแต่มันจะกลับมาตรงกลางกลับมาตรงทางสาาิการแล้วก็อจะลงไปอีกฝั่งหนึ่งกแ็แลปป้วแต่คือลงไปฝัาา่งที่เคยหลงไปไหวก็แล้วแต่ แต่มันจะไม่ข้ามกระโดดแต่เราจะแต่เราจกตัดมาตรงกลางรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราปฏิบัติจิตนะเช่นสมมติเราคิดหรือเท่าเราคิดคิดมากแล้วเราเกิดจิตหนึ่งที่มันไม่ชอบความคิดมันจะกระโดดมาแบบบังคับเลยบังคับให้มันไม่คิดเอมันก็จะตื่ตัเลยแต่จริงปฏิบัติทรรมเราเพิ่งรู้มันคิดแค่รู้สุกเฉยๆมันจยู่ตกลาง คิดอ awesome. ีกไม่เป็นไรรู้สึกใหม่ก็กลับอยู่ตรงกลางหรือให้มันไปนะกูไปวิโต๊กไปเรารู้สึกตัวแล้วก็ฝันคายมันก็แล้วฝันอยู่ตงกลางอาจจะกลับไปวิโต๊กอีกเครียดอีกพอเรารู้สึกใหม่มันก็อยู่ตรงการไม่ใช่แต่ปล่อยไม่ใช่แต่ปล่อยจะไม่รู้ตัวเลยนะไม่ใช่ปล่อยนะช่างมันน่ะไม่รู้สึกตัวไปเลยก็ไม่ไช่นะมัน มันนิดเดียวนะ Aquí, lu, ถ้าวางใจถูกถ้าเข้าใจหลักนะมันจะตัดมาได้รบ่อยๆตัดมาี่ได้บ่อยๆแต่ถ้าเราปฏิบัติเกียนมันคิดมากมันฟุ้งซ่านมากบังคับได้เลยนะข่มได้เลยนะมันก็คิดว่าเราปฏิบัติแล้วที่จริงไม่ใช่มันเป็นบังคับอีกได้นึอันนี้แหละมัน right. ก็ค่อยๆค่อยๆไม่ปรับตัวเองนะการที่เรารู้ว่ามันผิดตรงไหนนะ ติดต่งด้านใดรู้ไปบ่อยเพียงแค่รู <mas ans> 别别้มันจะกลับมามันกลับมาแต่ก่อนมันเหมือนแต่องบางครั้งเราก็ต้องมันสร้างรูปแบบให้มันกลับมาะบางครั้งมันฟุ้งซ่างมากก็อาจจะต้องแบบทำให้เมันแดงๆชัดๆสักหน่อยหรือบางครั้งฟุ้งสร้านมากๆอาจจะต้องเหมือนยุดซะก่อนเดินจนกลมฟุ้งมากๆนะหยุดหยุดเดินสักหน่ก่อน รนั่งยัดมืออยู่ตุ้มมากๆวางได้ก่อนอ่ะการงหลักใหม่นะประมาณตั้งใหม่สตาร์ทใหม่หรืออะไรนะมันก็มันก็จะช่วยนะช่วยให้เราเหมือนได้ตั้งมากขึ้นนะเอเหมือนทํางานนะบางทีบางครั้งเราคิดอะไรไม่ออกเนาะเป็นฝืนคิดหนึ่งยิ่งยิ่งยิ่งเมื่อยนะยิ่งยิ่งเครียดน่ะวางไม้ก่อนวางงานไม่ก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวให้มันตั้งหลักใหม่เดี๋ยวให้มันตั้งหลักใหมอ่อะไรเนี่ยจิตก็เหมือนกันบงทีเครียดมากๆฟม้งมากๆก็วางไล้ก่อนมาดีเครียดมากๆนะมือนหัวแน่นน่อกอกตื่นตาต่วางเลก่อ น, ออนอมองไกลๆทำทำอะไรให้มันรู้สึกผ่อนคลายสบายๆอ่ะวันนี้ก่อนริ่งข้ตีข้อทางอ่ะค่อยมาทำใหม่ ใหม่นะบางครั้งถ้ามันลงไป ม, มากๆหนัก ม, มากเนี่ยอย่าฝืนทําเกินไปให้รู้จักตั้งนะหลักใหม่ตั้งหักใหม่ถ้าตั้งหลักใหม่ได้น่ะมันก็จะค่อยๆนับหนึ่งเป็นใหม่ยรู้สึกตัวเป็นใหม่ที่ตัง้งนั่นี้สืแต่ถ้ามันไม่ไม่แรงมากแล้วก็ไม่ต้องตั้งไม่ต้องหยุดอะไรมากก็ได้ก็จริงมันก็มีจังหวะหยุดเคียนขั้นไหนลนะ่ะ มันโด่งไปมันหยุดทีละขนาะมันก็รู้ใหม่ทีละขนาะเลยครัเดินในกรมเองก็ให้ฝันคลายนะไม่ต้องช้าเกินไปนะแต่บางครั้งจังหวัดหยุดน่ะถ้านคนปุ่มมาจังหวัดตัดตัวนะก็หยืดมันช้าหน่อยเริ่มใหม่ในในเส้นทางใหม่นมันก็เป็นการเหมือนเพื่อน ทีมันจังหวะที่เดินมนะันอาแจะไม่มีความหยืนชัดเจนนะแต่ตอนจังหวะที่เรากลับตัวเราก็ยืนมันชัดสักหม่แยเราต้เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยนะเนี่เราก็ฝึกแบบนี้นะนะนะวันนี้นะ่ก็ทั้งวันนะวั น, นอื่นๆเองก็ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวมันจะเกิดความเคยชินนะเคยชินในการที่เราทำรูปในรูปแบบบ่อยๆ กินในการรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามนะรู้สึกตัวไปในขณะที่ตัดทำกิ จ, จื่อื่นไปด้วยนะแต่นะเข้าห้องน้าก็ดีนะแต่นะใส่รองเท้าก็ดีนะทำอะไรก็ดีนะนะรู้สึกไปเท่าที่ดูได้นะพยายามรู้สึกไปความคิดก็ให้เป็นธรรมชาติก็คือว่าไม่ต้องเป็นห้างมัน บางทีใหม่ๆกานฝึกครั้งแรกวันแรกๆมันก็อาจะมีเรื่องฟุ้งเนี่ยเรื่องที่เราเกิดจากการทํางานเรื่องที่เราเกี่ยบข้องกับผู้คนราจนขุดขึ้นมาบ้างะมันก็ไม่เป็นไรแต่บางทีวางช่วงเนี่ยพอมันจิตบางทีก็เบื่อนะเบื่อในการเหยียดตัวกายคุณอะไรมันคิดบ้างก็ไม่รู้นะ จริงอดีตผ่านไปร่วานา น, นะเหมือนจะลืมไปแล้วแต่พอกบ้างๆเก็บมันคิดมาเลยมันเหมือนมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะเราก็รู้หรือบางทีก็ปรุงอะไรก็ไม่รู้นะดีๆก็มีไม่ดีก็มีปรุงเป็นธรรมะก็มีเดินไปเทศไปนะเดินไปนะขบคิดธรรมะไปนะก็ดีนะมันไม่ใช่เรื่อง แต่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราปฏิบัติภาวนาปลูกทานนะก็เจอเหมือนกันแต่เราปีนี้นักปฏิบัติสภาวะอารมณ์ที่เขาพูดให้ฟังเราก็เข้าใจเพราะเราก็เคยผ่านแบบนั้นก็เคยเจอแบบนั้นแต่เราจะผ่านได้เร็วขึ้นหรือว่าเราติดนานขึ้นติดนานเนี่ย มันเรื่องของแต่ลงคนนะถ้าเรามีสตินะได้เร็วกลับมารู้สึตัวได้เร็วนะอาที่ติใอ้ที่นะมันก็จะ ด, ดูดได้บ่อย ด, ดูดได้เร็วขึ้นนติดไม่นาอันนี้นะสำคัญเนียมันเจอเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ขึ้นอยบอก ว, ว่าเราจะผ่านได้เร็วไหมเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะบางคนก็ตกวิชานี้บ่อย เรียนเหมือนกันนะเ ข, เข้าเรียนพร้อมกันนะแต่งคนค้ามชั้นนะต้องมาลงวิชาที่ใหม่ก็มันไม่ผ่านนะไมไ้ผ่านก็ติดหสายรอบนะแต่ถ้าคนรู้แนละ้วนะก็ผ่านไม่ต้องเรียนทนะานตรงนี้ตบก็ผ่านไปนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่บางทีในการปฏิบัตินะบางครั้งมันเหมือนวันที่ผ่านพุกที่มาใหม่อีกก็มีนะ ผ่านต่อม่วงได้แล้วทำไมผู้นีก้กลับมาหนักอีกเหมือนเดิมก็มีนะมันมันก็ไม่ใช่เราผ่านแล้วผ่านเลยนะบางทีมก็บนมาแต่ให้เรามั่นใจว่าไอ้ที่เราเคยผ่านได้นั่นแหละมันจะเป็นเครื่องมือให้ทั้งต่อไปแล้วก็อืมก็ใช้วิธีเดิมแบบนั้นแหละมันก็ได้ผ่าน้อีกนะอืมแต่ถ้าเราไม่เคยผ่านได้เราเตรียมนใจจะผ่านกันไหนนาจะไหวหรือเปล่านเนาะ ม่วเหลือเืินจะไหวหรือเปล่าปุ้งเลือเกินจะไหวหรือเปล่านะเศร้าเหลอเกินจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเราเคยค่อยมีสติตอนมามีสติตอนมานะมันยังไม่หายม่วยังไมหายก็ไม่เป็นไรหรือคือตัวไปแบบง่วงมั่วนี่แหละจริงๆนะเคยแม้แบบเราทํางานบางทีทํางานดึกมั่วก็ม่วนะแต่ใจนันก็ต้องทํางานไปทําไปเรื่อยอ่ ควาง่วงก็หายไปได้เหมือนกันนะหรือใครเดินปฏิบัติธรรมแบบนี้สัชิกเลยนะบาทีมันก็มีชนะ่วงหนึ่งทีง่วงสดๆนะโดยเาะประมาณเที่ยงคืนนะตีหนึ่งตีสองนะแต่พอเปิดในท่าๆหนึ่งทำไปเรื่อยๆนะออตีสามตีสี่เริ่มสบายเลยนะออมันก็เป็นมันจะเป็นเหมือนเหมือนกลางนะไม่มีอะไรคงที่นะแม้แต่ง่วงเอง A เราต้งมีม่วงมากม่วงน้อยม่วงกลางไม่คงที่ก็คิดเองก็เหมือนกันแต่ไม่ฟุ้งซ่านทั้งวันนั่นคือหลักที่จริงนะเป็นเรื่องนี้มันติดใจมากเหมือนก็ฟุ้งมากเรื่องนี้มันไม่ได้ติดใจมากเหมือนก็ฟุ้งน้อยแต่ยมันก็ดูนะไม่มีว่าคิดมากเสมอกันตลอดหรอกนะถ้าเราดูสติมันมันชัดขึ้นมันจะเห็นได้ว่า ช่องว่างของขนาดจิตความต่อเ น, นื่อนงนะปัญญาค่าเรียกว่าสันติที่มันคือนเรื่อนนง <N> ต่อเ น, นื่นองกันมันจะขาดเป็นช่วงขาดเป็นช่วงมันจะเห็นมันจะเห็นเป็นทีละขนาดทีละขนาดทางเรื่องของกายเองก็ดีนะรู้เป็นทีลขณะดที่กายเคลื่อนเรื่องของจิตเองก็ดีมันจะเห็นอะเมื่อกี้บอตอนนี้รู้มันเหมือนมันเหมือนนิ้วนะ มันแบบนี้ก็จริงนะแต่มันก็เห็นว่ามันคนนิ้วนะัะมันต่อกันมันไม่ใช่แบบตรงหนางมือนะั้นไม่เห็นความต่อแต่นิ้วมันต่อเพราะมันเป็นตาลมตัวนะันคือ เ, เอ ก, กิดไปเห็นแม้แต่ตัวปรุงแต่งก็ดีมันจะเห็นตาเห็นรูปเกิด ค, ความพอใจเกิด ค, ความไม่พอใจเกิด ค, ความคิดนะไปกับ ความปอยใจนะนะมันก็เป็นความสืบเนื่องกันเลยนะของจิะแต่ถ้าเราเห็นนะก็จะมันเป็นเหมือนคล้ายๆจะเป็นเหมือนประโยคนะมีประธานมีอิริยามีกรรมเข้าแล้วก็มีอะไรอะไรสื่อต่อไปเลยเอ๊จริงจริงมันเป็นเรื่องราวที่มันต่อกันต่อก้ำต่อกันเนี่ยที่แต่ไม่ได้พูดให้คิดนะแต่พูดให้เราเข้าใจเอิ้น มันเป็นไปได้ที่เราจะเห็นคาโดมแบบนี้ถ้าเราเห็นพวกนี้ฮมัม่ใชตื่นหรอกาโอ้โาะว่าจริงความที่เราคิดว่าเป็นเราทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เกิดจนเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นแค่สภ า, าวะที่มันต่อไปเฉยๆทั้งนั้นนะแล้วก็คือแนวทางในกาปรปฏิบัตินนะัก็พูดไปทั้งปริยัต ปฏิบัติปฏิเวทนะคือเน่ยปริยัติเป็นเหมือนความรู้เป็นที่นที่ในแนวทางนะท่าปฏิบัติต้องทําแบบไหนนะก็พูดให้ฟังผลจากการปฏิบัติจากการทําเป็นแบบไหนนะก่ก็ก็เราให้ฟังนะเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความเพียรนะเกิดความเกิดผลในการภาวนาไปด้วยนะกนะ็ แต่พวกเราเนาะพยาามฝึกหัดกันให่มากที่สุดนะสำรวมนะสำรวมวาจานะ่ะพูดถ้าที่การเป็นหรือนะไม่ต้องพูดเลยนะสำรวมสายตานะอะไรไม่จำเป็นต้องมองต้องผ่านต้องดูประวังิเป็นสักมือถือกอ่านได้ย <c oughs> ังหนังสือไม่ต้องอ่านก็ได้นะทีนะนะนะลองผ่านผ่าน ถ้าใจดีกเล่นใหญ่พอใจดีดกคือกายกับใจของเราเนี่ยนะเล่่นใหญ่อ่านดูตลองดูนะนะลองลองปิดลองปิดเพื่อคนอนั้นดูแล้วก็ลองมันจะเหมือนเป็นภาพสวาคับให้เราปรับมาอ่านอ่านตัวเองดูตัวเองเยอะๆอยากพูดนะดูใจที่อยากพูดดังนั้นตื่มันก็จะรู้ทันจะเห็นตัเองอ้อ คนอยากพูดเป็นแบบนี้แต่เราพูดไปนะจะไม่เห็นความอยากพูดแต่บางอย่างถ้ามีสติก่อนอ ม, มันก็ไม่ใช่พูดไม่ได้เขาถามเราก็ต้องตอบเชื่ออะไระก <c oughs> ็พูดได้จะทําอะไรนะก็พูดได้ะแต่พูดแล้วก็จบให้ได้เลยเถ้าที่จำเป็นอย่าไรลเตมากอัะเนี้ยคือนะถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องพูดกแต่ลองดู เห็นกันนะบานดีเห็นอ๋อเห็นเขาตั้งใจปฏิบัติน่ะมันเกิดเออเกิดกุศลนะแต่ถ้าพูดคุยกันนะบาีมันไปรู้จักนี่ใสใจกองกันมาเนี่ยบาทีมันเกิดขับกุศลเออเกิดวิพากวิจารนะเกิดปรุงแต่งอะไราพั้นนะแต่ถ้าดูกันเฉยๆมันจะเป็นทางกุศลนะเด็กๆนะอืพันนี้จริง มันก็เป็นเครื่องช่วยนะนะเขณาปฏิบัติธรรมในรูปแบบน่มาคอสมีเพื่อนปฏิบัติมก็จะช่วยช่วยในการมีสติได้ได้บ่อยขึ้นนะได้มากขึ้นเพราะเราจะไม่ชวนจะหล ง, งนะแต่ฐานโลกอุตินชวนกระหลงเราก็อยากจะมีสติแต่คนก็ชวนคิดชนพุ๊งอะไรก็เลยเกิดการหลงง่ายแต่ถ้าเรา แต่ละคนน้นมีสติเพื่อนเผลอนะเพื่อนเถอเรามีสติล้วตั้งหลักลนะได้มันก็จะช่วยเพื่อนที่เกือน้อยลงอย่างเงีนนะ้ยนะ ก, การกำปั้อะไร